วันนี้ได้ทราบวมาจาประมาณห้าหคันรถมาจากจังหวัดกาลสิน์ฝ่ายพระเป็นผู้นำคือหน้าพรรษานี่ก็ไม่ว่าวัดท่านวัดเราอย่างวัดเราเนี่ก็ไปเอารถวัดไปกราบคารวะหลวงปู่บุญมมหลวงปู่อุลแล้วก็หลวงปู่เพียนแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดอุดรวัดโพธิสมพรแล้วก็หลวงปู่วัดโพธิสมพร แล้วก็หลวงปู่คูนหกวัดทั้งอำเภอนายูน้ำโสมไปคารวะแต่แต่นนี้ทางเขาก็คล้ายๆของหมุนเวียนกันคารวะครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาว่าคารวะวัดนั้นวัดนี้อาจจะมีมาวัดเราแล้วก็ขึ้นภูก้อนบั่นเพิ่มลักษณะอย่างนั้นอันนี้นก็วันนี้ก็จะมาถึงวัดเราหมุนเวียนกันวันนั้นวัดแต่และ ว, วัดในพรรษานี่นก็ ตอนดตอนรับขับสู้เมื่อวานทางโรงพยาบาลที่หลวงพ่อได้พูดว่าเขาจะมารับค่าเครื่องมือแพทย์คือก่อนหน้านี้ตอนช่วงปีใหม่มั้งทางโรงพยาบาลศูนย์อุดอรอยากจะได้เครื่องมือแพทย์เครื่องผ่าตัดตับแต่หลวงพ่อก็ได้ถามว่าทางโรงพยาบาลมีกองทุน อันนี้เท่าไหร่คือมังกองทุนโรงพยาบาลมีต่างมันมีหลายกองทุนแต่กองทุนที่สัญญาคารอุตร a t h o เนี่ยคือกองทุนสมเร็จพระสังฆราชเนี่ยเขาบอกวันมีอยู่ประมาณห้าแสนหลวงพ่อก็เออเอถ้าห้าแสนเครื่องมือตัวไหนตัวใดห้าล้านต่อลงแล้วต่อรองแล้วไม่มีค่าในหน้าไม่มีค่าคอมมิชชั่นจ่ายเงินสดล้านห้าลวงพ่อก็เออ ล้านห้าหลวงพ่อทางวัดกอหลวงพ่อจะอช่วยหนึ่งล้านก็เลยให้เ ข, า ส, เขาสั่งเขาสั่งเขาก็มาทำงานนั่นแหละออกมาใช้งานแล้วแต่บริษัทก็ว่าออกมาใช้งานผ่าตัดไปยี่สิบกว่าคนแล้ววันนี้ก็ทางบริษัทขอเก็บเงินเมื่อวานก็เลยเข้ามาทั้งหมอใหญ่ทั้งพยาบาลหัวหน้าพยาบาล มาพูดกับลุงพ่อลุง พ, องพ่อก็ได้เตรียมแคชเชียร์เช็คไว้ให้เขาเคลิกธนาคารให้เขาไปล้านหาเมื่อวานเนะี่เก็บไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เครื่องมือก็ใช้ประมาณสักผ่าตัดประมาณกว่าคนแล้วลเครื่องมือตัวนี้ก็คือผ่าตัดตับทางอีสานเหนือของเรานะี่โรงพยาบาลศูนย์ของเรานี่ยังไม่มีทางอีสานเหนือของเราเนี่เกี่ยวกับมะเร็งตับก้อนในตับ ใบ ไ, ไม้ในตับตับแข็งมากแต่เมื่อพาตัดตับเข้าไปในชาติใช้เครื่องมือธรรมดาเลือดจะออกไม่หยุดแต่เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าในตัวพอพาเข้าไปไมันจะห้ามเลือดในตัวในตับจะเลือดจะไม่ออกเพราะนั้นมีความจําเป็นจะจะจัใช้อยากจะได้เครื่องตัวนี้ล้านห้า หลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องลูกหลานหลวงพ่ออ้าวให้ในวันเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ให้ไปมอบให้แล้วทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งผู้ทังเจ้าของเครื่องมือแพทย์ เ, ยเขามารับเมืมวนันล้านห้าจ่ายไปเรียบร้อยแล้ะแปลว่าหลวงพ่อหมดไปละพาระหนึ่ง แต่วันวานเมื่อก่อนเนี่ยตั้งบ้านหาคังเข้ามาว่าหลวงพ่อคนของเราขี่มอเตอร์ไซค์หัวนอกพื้นสลบไปนอนอยู่และยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลขอให้หลวงพ่อช่วย เ, ยวเธอหนอ่งหลวงพ่อเออเอาไปไ ป, ไปหาไ่ชีไปให้ไ่ชีประสานบอกอ้างชื่อหลวงพ่อก็ได้เพราะเขาเคยประสานกัน แสดงเขาเประสานกันเลยเขาก็เลยเอาผ่าตัดผ่าตัดศีรษะมอ <c oughs> คงจะมีอะไรเลือดข้างอะไรเลยเมื่อวานวันก่อนมาอีกว่าผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกแต่ออกไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินจา่ายตทลา่ประมาณหมื่นเจ็ดหรื อ, อบอกเขาเลยนะบอกทางหมอเลยบอกว่าหลวงพ่ออินรับประกัน <c oughs> หลวงพ่อรับประกันหลวงพ่อรับประกันไปเลยตรงนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะหาให้เอาออกมาเลยบอกเลยนะว่าวัดหลวงพ่อรับประกันพอเลยเขาได้ยินท่อออกมาออกมาหลวงพ่อเขาพูดเมื่อวานเออว่าไงหลวงพ่อรับประกันหมื่นเจ็ดนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปจ่ายให้ไม่ใช่หลวงพ่อจะเบี้ยวไม่เอานะหลวงพ่ออย่างไม่ไม่ไม่ไมหลวงพ่อให้ตั้งล้านตั้งล้านห้กันนะเนี่ยจะไปเอาเลยละหมื่นเจ็ด เออถ so <se> ้าอย่างงั้นก็จบกันหน้าว่ะหลวงพ่อก็ว่ากันเนี่ยอ้าวถ้าอย่างนั้นก็จบกันนะก็เป็นอำนว่าจบกันหลวงพ่อคงจะไม่ได้ให้อ้าวหลวงพ่อช่วยโรงพยาบาลเนี่ยลุงพยาบาลก็ต้องช่วยทุกศีษย์ลูกหาหลวงพ่อเหมือนกันได้ไหมล่ะเออพิจารณาเอาอย่างเดียวได้แล้วฮเมื่อหลวงพ่อขอร้องไปทางโรงพยาบาลก็ต้องช่วยหลวงพ่อฮะเพราะหลวงพ่อช่วยโรงพยาบาลมากต่อมาก ขนาดลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ใช่ว่าช่วยทุกวันนานๆจะมีความจําเป็นคนเนื่องหลวงพ่อก็ขอไปช่วยๆดูให้น้อยนะแต่ถ้าว่าผู้ที่มีอันจะกินก็ไม่ว่ากันใช้จ่า ย, ายแต่ขอขอให้อำนวยความสะดวกให้ท่านเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีปัญหาหลวงพ่อก็จะบอกเงินมีไม่มีปัญห า, ร า, ญ ห, าหรอกค่าใช้จ่า ย, ายแต่ขอให้อำนวยความสะดวกให้ด้วยคืออำนวยความสะดวกในสําคัญ เรื่องการเงินเขามีจ่ายอันนี้หลวงพ่อก็บอกแต่บางคนก็บอกว่าอหลวงพ่อรับประกันใ ห, ห้าใช้จ่ายทั้งหมดอืทางทางโรงพยาบาลคิดยังไงเนี่ยโดยมากโรงพยาบาลจะไม่ค่อยคิดท่าหลวงพ่อฝากลักษณะอย่างนี้เพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อช่วยโรงพยาบาลทั้งขอนแ ก, นนก่นด้วยศรีนครินทร์ด้วยศรีนครินทร์ด้วยโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นด้วย ศูนย์อุดรด้วยโดยมากนะหรื อ, อยัางน้องคายนะก็คืออาเภอท่าบอ่อเนะี่ยหลวงพ่อก็ช่วยนะสรุปแล้วอย่างน้ําโสมนะเหมือนกันนาโยงหลวงพ่อก็ได้ช่วยปีนี้ก็ได้ช่วยให้รถโรงพยาบาลน้ําโสมมาคันหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่ารถแอมบูลานรถรับคนป่วยแล้วปีที่แล้ว ให้โรงพยาบาลนายุงหนึ่งคันอันนี้ล้านล้านเจ็ดน้ำโศกไม่ใช่ล้านแปดมันขึ้นมาอีกนะนี่แหละอันนี้ก็ได้ช่วยทางโรงพยาบาลสรุปแล้วก็คือสาธารณประโยชน์เราก็ไม่ได้มองข้ามเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยมีอะไรที่จะต้องช่วยกันแต่ก่อนหน้านี้ เขาก็เคยพูดว่าพระพุทธศาสนาเป็นกาวฝากกองสังคมกาวฝากแค่แค่มาดูดดูดกินสังคมไม่มีไม่มีอะไรที่จะช่วยแต่ตามไม่จริงพระพุทธศาสนาเนี่ยช่วยสังคมอย่างอย่างมากพูดอย่างนั้นได้ทํำไมจะว่าอย่างมากแต่ช่วยเป็นนามธรรมนามธรรมคืออะไรก็ ค, คือแนะนําสั่งสอน ลูกหลานเกิดใหม่เกิดมาใหม่แนะนําว่าสู่เจ้าต้องรู้จักพระคุณของพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณนะอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาแพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาอย่างไรสู่เจ้าต้องเป็นคนดีนะวัยวุฒินะองคเคารพนะคุณวุฒินะคุณวุฒิคือผู้มีพระคุณเกี่ยวกับมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ให้ความเคารพ หรือวั ย, ยวุฒนะสู้เจ้าต้องเคารพผู้สูงอายุทีมอายุมากกว่าต้องรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักบาปบุญคุณโทษให้มีศีล น, นะอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะอันนี้คือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะสอนสอนพี่น้องประชาชนาาศรัทธาญาติโยมอันนี้คื อ, คอมองไม่ไม่เห็นในพวกเรามองไม่เห็น แต่มันฝังลึกอยู่ในใจอันนี้เราสอนเป็นนา ม, มะธรรมส่วนรู ป, ปรธรรมก็คือการสงเคราะห์เพราะฉะนั้นลวงตามหาบัวเนี่ยสอนแต่ให้แต่นา ม, มะธรรมอย่างเดียวไม่เห็นคนมองไม่เห็นเขาว่าพระสงฆ์เป็นกาวฝากของสังคมมองไม่เห็นเพราะเหตุอะไรเพราะมันไม่ไม่เป็นรู ป, ปรธรรมมันเป็นนา ม, มะธรรมอแต่ประเทศชาติล่มเย็นเป็นสุกทุกวันนี้เพราะพระธรรมคาสอน อย่างต่างประเทศของเขาอย่างประเทศตะวันตกของเขาหมอจิตแพทย์มีมากมีมากๆเลยแล้วก็ราคาแพงอีกต่างหากเข้าไปนั่งคุยอย่างเดียว น, น, นั่งคุยคุยคุยไประบายอะไรเรื่องเลาของตัวเองให้เขาฟังเท่านั้นนะเขาเป็นคนนั่งฟังนนะเท่านั้นเขาคิดเป็นหมื่นเป็นแสนออกมาเลยเพราะอะไรเพราะเขาฟังแล้วเขาก็แนะนำ เ, เพียงแค่นั้นนะ แต่ที่พวกเราท่านทั้งหลายมาวัดสู่วัดวาศาสนาอย่างเมืองไทยเนี่ยมาพูดให้พระพังพระกศนี่ปล่อยวางนะอย่าไปยึดมั่นถือ ม, มันเพียงแค่นั้นนะเกิดละตายเอี ย, อยไปหัทถืออะไรมากหมอในเมืองไทยหมอจิตแพทย์ของเมืองไทยเนี่ยหากินยากเพราะว่าหมอพระนี่มีมากเพรางั้นเน้นนำสั่งสอนทางด้านจิตใจหมอจิตแพทย์หมอจิตเวชในเมืองไทยถ้าไม่เหลือบา ก, กว่าแรงจริงนะ เว้นเสียแต่ใช้ยาใจใช้ยาเข้าไปด้วยเออนั่นก็อีกส่วนหนึ่งแต่ตามลําพังแล้วหมอหมอจิตแพทย์ของเมืองไทยเนี่ยคือพระสงฆ์สอนทางด้านจิตใจอย่าไปเครียดนะเครียดทําไม เ, เกิดมาไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างไปแล้วสิ่งไันที่เป็นคุณงามความดีทำสิ่งนั้นทําให้ดีที่สุดในขณะที่ทําเมื่อทําดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราจะไปประกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ยังไง เราไม่ใช่จะเก่งั้กว่าขนาดนั้นเราไม่ใช่เก่งขนาดนั้นจะห้ามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มันเกิดเอ่ออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ว่าเราต้องทำตัวทำตนให้ดีพูดให้ดีคิดให้ดีทำให้ดีนี่แหละอันนี้คือฝ่ายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสอนแก่พี่น้องให้สอนพี่น้องประชาชนในแนวความคิดอันนี้เรียกว่าสอนในนามธรรมาส่วนรูปธรรมเอ่อท่านก็อยู่ในความยากจนอยู่แล้ว บิณฑบาตฉันอยู่แล้วนะบางวัดท่านก็ไม่มีแต่อย่างวัดของหลวงตาเนี่ยคนมากก็ทําบุญมาทําบุญทําท่านท่านก็เก็บหอมลอมริบเอาไว้พอเป็นก้อนขึ้นมาเอาที่จะช่วยโรงเรียนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์สร้างที่ไหนที่ไหนเอาสร้างทําให้อันนี้เป็นรูปธรรมทุบรูปธรรม ท, ที่ใหญ่ที่สุดของหลวงตาขนาดไหนเออ ปี3 9 4สเี่ศประเทศชาติทุกไอ f พวกเรากระเทือนกันทุกแห่งหนลวงตากระโดดออกมาเลยออกจากป่าอา้าวต้องช่วยกันพี่น้องลูกหลานพวกรัฐบาลดำเนินนโยบายปิดพลาดจะแล้วเงินทะลักออกต่างประเทศจะแล้วคนในชาติของเร า, เาคล้ายๆว่าไม่ขาดความรอบค้อบจะทำให้ประเทศลบยมเสียแล้วข่าวนี้ถ้าเราไม่ช่วยกัน พวกเราต้องล่มจบจบหายนะแย่นะใครผิดใครถูกอย่าพึ่งพูดกันในช่วงนี้ต้องช่วยกันก่อนผิดถูกยังค่อยว่ากันทีหลังเอาช่วยกันะระดมทองะระดมเงินะระดมทองหลวงตาออกมาะระดมทองทองคำทั้งหมดได้13บสาตันกว่าแล้วก็เงินดอนลลาร์ได้สิบล้านกว่าดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยทุกวันนี้เดี๋ยวเงินเงินในท้องผระคัง ทองทองในท้องเมื่อครั้งสิบสามตันกว่าเนี่ยแล้วก็เงินดอลล่าร์อีกสิบล้านกว่าดอลล่าร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาเกือบสี่ห้าหมืนล้านนะสี่หมื่นล้านเดี๋ยวนี้พะทองคำของลงตาะอนั้นคลังของเราจรึงแข็งเพราะเป็นเครดิตทองคำเรา่อนี้เป็นเครดิตที่เราจะพิมพ์เงินออกมาเนี่ยเขาว่าถ้ามีทองคำ ราคาเท่านี้จะพิมพ์ธนบัตรได้ประมาณ4ี่ถึงหเท่าเงินจ ะ, จะมีคุณค่าถึงสี่ห้าเท่าเพราะคุณค่าและเครดิตของของทองเนี่ยเพราะฉะนั้นเมืองไทยของเราถ้าจะว่าไปก็คือหลวงตาของเราเนี่ยเป็นผู้มีคุณอูปา ก, การอย่างมากต่อชาติบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนถ้าพูดขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมานักวิชาการเขา้ามาหลวงพ่อจะชี้แจงให้ฟังใช่ไหมฮะ หลวงตามีคุณองค์การท้อประเทศชาติใช่ไหมเมื่อข้าวล่มจมประเทศชาติมีปัญหาขึ้นมาหลวงตากระโดดออกมามาช่วยชาติอทองคำเข้าคลางหลวงเศรษฐกิจของเมืองไทยแข็งขึ้นมาทันทีใช่ไหมไม่มีใครที่จะถกเถียงหลวงตา้วยคำนี้ขึ้นมาได้นักวิชาการในช่วงนั้นก็โหหัวฟัดหัวเวียงว่าหลวงตานี่ดื้อด้าน ทั้งที่ประเทศชาติจะล่มจมจีพายหน้าที่จะหาละโตรเงินลงตาประเทศที่ได้เดงเงินมาได้ห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านคนถวายมาแต่ก็ซื้อทองออพวกนักวิชาการทั้งหลายกันน้ำลายไหลเลยทำไมลงตายจึงเอาเงินที่ได้มานะั้นไปซื้อทองทำไมไม่เอาเงินที่ได้มานะเอามาเข้าคางหลวงแล้วจะได้หมุนเอามาใช้ทดแทนนี่ต่างประเทศเขา อันนี้เอาซื้อทองคำเข้าคลังหลวงลุงตาคิดได้ยังไงเนี่ยทองคำนกมันเป็นทองคำต่างประเทศอีกทำให้เงินร่วนไหลไปต่างประเทศอีกไปซื้อทองต่างประเทศพอซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทองคำเอามาทิ้งไว้ในโกดังเหมือนโกดังเก็บก้อนหินอย่างนั้น่ะโกดังเก็บเหล็กอย่างนั้น่ะทิ้งไว้เฉยเฉไม่เกิดประโยชน์ทำไมไม่เอาเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์หมุนเวียนในท้องผัง หลวงตาบอกทองคำํำหลวงตาบอกทองคําเอาทองคําเท่านั้นเรายังไม่ให้มม่ยังไม่เอาไปใช้อย่างอื่นซื้อทองคำํำถึงจะกเงินออกธนลักษณ์ออกต่างประเทศคือซื้อเอาทองคำํำนี่แหละเขาเขาวานหลวงตาเนี่ยโอไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ทําไมดื้อถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นดร็อคเตอร์ทั้งหลายขาดแสดงไม่ามแสดงความไม่เคารพในอวงหลวงตามากต่อมากในช่วงนั้นนะ ไม่ใช่น้อยนะหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่เราก็รู้ไม่รู้แต่หลวงตาพาทแเราก็ให้เราไม่ได้ศรัทธารัฐบาลเราศรัทธาหลวงตาหลวงตาบอกว่าเอาทองคำเราก็ให้ทองคำเพราะนั้นในวัดของเราวัดป่านาคร้อยของเราเนี่นะซื้อทองคำงบสุดท้ายเลยนะ่ะครบบสุดท้ายตอนที่หลวงตาพระราชทานเพลิงนะงบสุดท้ายนะ ของคำวัดออกจากวัดของเราได้หนึ่งเจกิโลกว่านะหนึ่งอเจกิโลกว่าแต่ทุกวันนี้กิโลมันเท่าไหร่ล้านกว่าบาทนะคณะจต่ายาโสมลูกหลานนะเพราะบาทตะกอนบาทหน่อยเดียวแต่ทุกวันนี้บาทต่อ2องหมื่นสองหมื่นสอนห้ต่อ1นึ่งบาทนะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตาท่านระดมทองผลี่สุดถ้าหากว่า เชื่อนักวิชาการนะเชื่อนักวิชาการหาซื้อดอลล่าซื้อดอลล่าและเงินต่างประเทศต่างชาติโนะดยเฉพาะยังยิงดอลล่าเข้าสู่เข้าไว้ในคลังหลวงประเทศไทยคงจะลบโจมอีกเป็นรอบที่สองไม่แพ้ไอเอ็มเพราะอเมริกาเศรษฐกิจเขาล่มอออเมริกาพาล่มถ้าเราไปยึดอเมริกานะอเมริกาเนะี่ยมันจะพาประเทศไทยล่มอีก แต่นี่ไม่หลวงตาให้ยึดทองคำทองคำเข้าคังหลวงทองคำของหลวงต า, นงงา เ, เนี่พงาดเลยท่านเออหลวงตาทองทองคำในท้องพระคังั ง, งาดเลยพยองเลยเหมือนกับม้าตัวคึกเลยอย่างนั้น เ, เออจนต่างประเทศเขาได้ใครกระลมทองซื้อทองเขาคำเข้าคังหลวงข้องขายข้องเราทำใหมทำใหม่หลวงตาจึางคิดได้อย่างนี้ทำไมเนี่ละ หลวงพ่อบอกว่าหลวงตาของเราเนี่ยมองเห็นแต่พวกเรามองไม่เห็นพวกเรามองไม่เห็นแต่หลวงตามองเห็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เน่ยหลวงตาเป็นผู้นําำจะว่านําประเทศไม่ใช่นะจะเป็นผู้นําโลกจะได้ซ้ําไปเพราะต่างประเทศกับต่างคนต่างซื้อกักตุนทองคําเข้าคลังหลวงไว้ในท้องประคังเพื่อความมั่นคงของชาติของตนเองนะ นี่แหละลวงตาท่านทำก่อนแล้วทั้งที่ท่านอยู่ในป่าหรงพงไพทำไมท่านจึงรู้ตัวไหนควรไม่ควรอย่างไรนักเรศรษฐศาสตร์นักบัญชีทั้งหลายทั้งปวงของประเทศนีระดมด่าหน้ากันออกมาอยากจะให้หลวงตาซื้อเอาเงินเอาที่ได้มาเอาเข้าคลังหลวงเพื่อหมุนเวียนใช้ในประเทศซื้อดอนล่าเข้ามาไว้ในทองพระขังหลวงตาไม่เอาฮไม่ซื้อดอนล่าซื้อทองฮะ นี่แหละสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดให้แก่พี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ฟัง <c oughs> พระพุทธศาสนามีคุณค่ามีคุณูปการต่อประเทศชา ต, <c oughs> ต, ตาิตั้งแต่ดึกดําบันมาฮะอตั้งแต่ดึกดําบันสมัยนู้นเลยสิเอะพุทธศาสนาเป็นคู่กับชาติไทยมาดึกดําบรนมนานถ้าจะพูดบรรยายให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังพระเนนได้ฟัง วันนี้หลวงพ่อคงไม่ได้ฉันอาหารคุณูปการต่อประเทศชาติพุทธศาสนาคืออะไรแต่พูดบรรยายเกี่ยวกับองค์หลวงตาเพียงแค่นี้พวกเราก็ฟังดูงสิว่าพระพุทธศาสนามีคุณต่อประเทศชาติอย่างไรไม่ใช่การฝากนะถึงข่าวจําเป็นม า, อ, าออกมาทางด้านวัตถุแต่ถ้าไม่จําเป็นมาสอนเรื่องนมานมธรรมนามธรรมให้รู้จักลูกหลานรู้จักดีรู้จักชั่ว รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้จักพระคุณประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้รู้จักบุญคุณให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ําอย่าไปทำแบบสัตว์ป่าสาตริชานชาตริชานไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำํำจะทําอะไรตัวไหนมีอํานาจก็กัดดะไปหมดกินหมูก่กินเพื่อนเพอเหตุไรพอมีอํานาจเราไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ป่า เราเป็นลูกพุทธศาสนาเรารู้จักสิ่งควรไม่ควรอันนั้นคือพ่ออันนี้คือแม่อันนี้คือผู้ไว้ไวยวุฒิคุณวุฒิอันนี้คือประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยัรู้จักสูงรู้จักต่ำการอยู่ด้วยการ‑ก็ร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้าแต่ถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักกาละเทสบุคคลตีปราศาตีเสมอไปหมดพวกเราจะหาความสุขไม่ได้นะเกิด อยู่ด้วยกันก็อย่างว่านะเห็นกันกันหญิงเคี้ยวหญิงฟันใส่กันเหมือนกับหมาอนะันต่อไปรับพร อ, น, อนโมทนาให้พร